จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่สิบแปทธันวาคงพุทธศัการาช5 5งเป็นวันพระวันธรรมัตสวานณะวันฟังธรรมวันปฏิบัติ หน้าที่ของพุธทธศาสนิกชนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธนี้อยู่ที่การทําหน้าที่ของชาวพุทธถ้าไม่ได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธก็จะมีแต่ชื่อแต่ความเป็นพุทธจะไม่มีเหมือนกับกล่องที่ใส่ สินค้าหรือขวดภาชนะที่ใส่เครื่อดื่มถ้ามีแต่ป้ายติดบอกว่าเป็นน้ำชนิดนั้นชนิดนี้แต่ในขวดไม่มีน้ำอะไรอยู่เลยนี่ก็คือลักษณะของชาวพุทธที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเรียกตงเองว่าเป็นพุทธแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธนี้มีอะไรบ้าง หน้าที่ของชาวพุทธที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้ทากุศลให้ถึงพร้อมสให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราก็จะเป็นแต่พุธแบบไม่มี ความเป็นจริงอยู่ในใจและเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะให้ประโยชน์แก่พวกเราได้อย่างสูงสุดก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ภายในใจของเราอยู่นี้ ถ้าเราทำหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างสมบูรณ์เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยตั้งแต่วาระที่เราได้รับผลอันประเสริดจากพระพุทธศาสนาร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ จะไม่เป็นปัญหาแก่ใจของพวกเราถ้าเรามีผลที่เราได้รับจากการทำหน้าที่ของชาวพุทธของเราให้อย่างเต็มทีนะ่วิธีที่จะทำให้เราทำหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างเต็มที่ก็คือเราต้อง ระลึกถึงเทวทูตสี่เทวทูตสีนี้เป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาพวกเราอยากจะได้ทําหน้าที่ทำและได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธเราก็ต้องระลึกถึงเทวทูตสีอยู่เรื่อยๆ เทวทูตข้อที่หนึ่งเทวทูตที่หนึ่งก็คือความแก่เทวทูตที่สองก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเทวทูตที่สก็คือความตายและเทวทูตที่สก็คือนักบวชนักบุญทั้งหลายนี่เองถ้าเราเระลึกถึงเทวทูตทั้งสี่ก็จะทําให้เรานี้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เพราะว่าถ้าเราไม่ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะลืมไปเราจะไม่คิดถึงมันเราก็เลยจะคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยไม่อยากทาหน้าที่ของชาวพุทธไม่อยากจะเป็นนักบุญไม่อยากจะเป็นนักบวชเพราะผู้ที่จะทาหน้าที่ของชาวพุทธนี้ ต้องเป็นนักบุญต้องเป็นนักบวชกันคือเช่นอย่างน้อยก็ต้องถือศีลห้าในวันปกติส่วนในวันพระก็มาถือศีลแปมันศีลห้าก็เป็นศีลของนักบุญศีลแปก็เป็นศีลของนักบวชถ้าอยากจะทําหน้าที่และรับประโยชน์ จากการเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ต้องเป็นนักบุญในวันธรรมดาวันธรรมดาก็ถือศีลห้าแล้วก็ทําบุญให้ทางไปตามกําลังไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบเท่าที่เราจะมีเวลาจะทําได้ส่วนในวันพระนี้เป็นวันที่เราจะ ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วมาทำหน้าที่ของนักบวชให้เต็มที่เช่นมาอยู่วัดมาถือศีลอุโบสถถือศีลแปแทนที่จะถือศีลห้าก็ต้องถือศีลแปเพราะว่าศีลแปดนี้จะมีกำลังที่จะส่งให้เราได้ชำระจิตใจจะทำให้เรามีเวลา มาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าถือศีลห้านี้มันจะไม่มีกำลังพอหรือถ้าเป็นรัว้วก็รั้วที่มีรูโหว่มากทำให้สัตว์ที่เราต้องการที่จะควบคุมไว้ให้อยู่ในที่มันจะไม่อยู่มันจะมีช่องให้มันหนีออกไปเล่นได้แต่ถ้าถือศีลแป น, นี้มันจะ เป็นนัวที่ไม่มีช่องแคบมากสัตว์ที่ถูกกักขังอยู่นี้จะหนีออกไปไม่ได้สัตว์ที่เราต้องการควบคุมเกออะไรก็คือการมัฉันทะความอยากในรูปเสียงจิตรสผลดตภัณฑ์ความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลา เดืมกันตามความอยากเดือดประทานกันตามความอยากดูกันฟังกันเที่ยวกันเล่นกันนี่สําหรับพวกที่ถือศีลห้านี้ศีลห้าไม่ห้าศีลห้าปล่อยปล่อยให้ไปทําได้อยากจะไปร้องดําทําเพลงอยากจะไปงานสังคมงานบันเทิงต่างๆก็ไปได้อยากจะไปดูมหัศรรย์ก็ไปได้ ถ้าไปแล้วมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาชำระใจให้สะอาดถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดก็ต้องมารักษาศีลแปถือศีลแปดกันเพราะถ้าถือศีลแปดแล้วการมชันทะก็จะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่างๆได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้อยากจะไป กินเลี้ยงไปล้อองลำทําเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไปไม่ได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้อยากจะรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็รับไม่ได้นี่เป็นการร้อมข้อของตัณหาความอยากในกลาง ความอยากหาความสุขทางตาหูจหมูกลินกายไม่ให้มันออกไปทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้แล้วจะได้มีเวลาเข้ามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะเจริญหรือเสื่อมนี้ อยู่ที่การกระทําของใจเราถ้าใจเราไม่ได้รับการชําระสิ่งที่เราต้องการชําระคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงมีมากน้อยภายในใจเพียงไรมันก็จะทําให้ใจนี้เลวทําให้ใจเราชั่วทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเสือ่อม พอเวลาเกิดความโลภแล้วก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าไม่สามารถหามาโดยวิธีที่ถูกต้องถูกศีลถูกธรรมได้ก็จะไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกศีลถูกธรรมไม่ถูกกฎหมายพอทำไปแล้วก็เกิดโทษตามมาโทษในใจก็คือความวุ่นวายใจความวิตกความหวาดกลัว โทษภายนอกก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนคอยละมัดระวังกลัวจะถูกจับไปลงโทษอันนี้เป็นผลที่เกิดจากความโลภแล้วถ้าโลภแล้วไม่ได้อยังใจอยากมีคนมาขัดขวางก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางแล้วก็อาจจะคิดทำร้ายเขาอาจจะฆ่าเขาได้เพราะความโกรธ ที่มาขัดขวางความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอดีคนอื่นมาเอาไปก่อนก็ไปโกรธคนที่เขาเอาไปก่อนอยากจะได้คนนี้มาเป็นแฟนคนนั้นเข้ามาเอาไปก่อนก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาพอโกรธมากๆยับยั้งไม่อยู่ก็จะไปทำร้ายคนที่ทำให้เราโกรธได้นี่คือ โทษของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในใจแล้วมันจะไม่ส่งเสริมให้ใจเราทําความดีมันมีแต่จะส่งเสริมให้เราไปทําบาปจะทําให้เราไปทําผิดกฎหมายแล้วจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่เราเพราะพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามาชำระใจ ให้สะอาดกันการที่จะชาระได้ก็ต้องมีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเช่นถ้าวันนี้เราไปทำงานทำการหรือเราไปเที่ยวไปทำอะไรไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาชาระความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดไปจากใจแต่ถ้าเรา วันนี้หยุดทำงานแล้วเข้าวัดมาถือศีลแปเราก็จะมีเวลาหลังจากกินข้าวเสร็จเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องมีภารกิจอะไรนอกจากภารกิจชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องเอาธรรมะของพระเจ้าเข้ามาสู่ใจ สิ่งที่จะดึงให้ใจเข้าหาธรรมะสิ่งที่ทำให้ธรรมะเข้าหาใจก็คือสติเราต้องควบคุมใจด้วยสติเพราะปะกะติถ้าไม่มีสติไว้ควบคุมใจใจจะไหลออกไปทางความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเราจึงต้องหยุดกระแสของใจ ที่ไหลไปกับความโลภความโกรธความหลงด้วยการใช้สติดึงใจกลับเข้ามาสตินี้ก็มีวิธีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่จะดึงใจให้เข้ามาข้างในไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงก็ต้องใช้สติวิธีสตินี้พระองค์พระเจ้าแสดงไว้ถึง40สวิธี เรียกว่ากรรมฐาน40แต่เราไม่ต้องใช้วิธีทั้ง40วิธีนี้เหมือนกับเวลาที่เราไปร้านอาหารเขามีรายการอาหารให้เราเลือกหลาย10รายการด้วยกันเราไม่ต้องสังทุกรายการเราก็เลือกเอารายการที่เราชอบที่เรากินแล้วมีความอิ่มมีความสุข เราก็เลือกอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อมารับประทานฉันใดกรรมฐาน40นี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจเป็นเครื่องสร้างสติที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความอิ่มให้เข้าสู่ความพอให้เข้าสู่ความสุขกรรมฐานที่พวกเราได้ยินกันได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ ก็คือพุทธานุสติคำว่าพุทธานุสติก็แปลว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้เช่นบทสวดอิติปิโสอัลลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนี่ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างสติ เพราะถ้าเราเลิกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความโลภของความอยากต่างๆถ้าเรามีพุทธคุณอยู่ในใจเราท่องไปเรื่อยๆใจก็จะไปคิดถึงการไปเที่ยวไปเล่นไปเสพสุรายาเมาไปพบกับคนนั่นคนนี้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ไปเล่นการพนันอย่างนี้ก็จะทําไม่ได้เพราะไม่คิดถึงมันนั่นเองถ้าคิดก็ดึงพระพุทธเจ้าเข้ามาใช้พระพุทธเจ้าดันมันให้มันหายไปเราเลิกถึงพระพุทธคุณสวดบทพระพุทธคุณไปเรื่อยๆหัดฝึกไปสวดไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาวุธที่เราจะต้องมีอยู่ใกล้ตัวเรา เพราะาศึกศัตรูของพวกเราคือความโลภความโกรธความหลงนี้มันบุกเราตลอดเวลาเลยพอเราไม่มีพระพุทธคุณปับ๊บมันก็จะชวนเราไปเที่ยวแล้วชวนเราไปกินไปดด่มชวนเราไปดูไปฟังไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศสรรเสริญใจของพวกเรานี้มันไหลไปทางนี้ตลอดเวลาแล้วผลจากการที่เราไหลไปทางนี้เป็นอย่างไร ใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอบ้างหรือเปล่าหรือมีแต่ความโลภความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้เป็นร้อยล้านได้เป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยได้เป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันได้เป็นในพันก็อยากจะเป็นในพัได้เป็นในพัก็อยากจะเป็นใบเรื่อยๆหรืออยาก อยากจะไปเป็นอย่างอื่นต่ออยากจะเป็นอยากจะไปเป็นสอส อ, อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นมานายกเป็นอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่มีคำว่าพอมันก็จะากให้เราต้องเหนื่อยกับการไปหาสิ่งต่างๆมานี่คือโทษของการที่เราไม่มีพุทธานุสติกัน พระพุทธเจ้าจาึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นจเจริญพุทธานุสติหมั่นจเจริญธรรมานุสติหมั่นจเจริญสังขานุสติให้เราเลิกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสามคุณอยู่เรื่อยๆภายในใจวันๆหนึ่งเราทําอะไรเวลาที่เราทําอะไรโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังมคุณ สวดไปภายในใจอิติปิโสเหมือนกับร้องเพลงทำไมเราร้องเพงลงร้องกันได้แต่ทำไมมาเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำไมทำไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้อะไรแต่ถ้าเจริญพุทธคุณพุทธานุสติธ ร, รมานุสติสังฆานุสติเราจะได้ความสงบเราจะได้ความอิ่มเราจะได้ชําระความโลภความโกรธความหลง ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละไม่มีใครจะรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าของง่ายๆของดีๆเรากลับไม่เห็นคุณค่าเราเป็นเหมือนพวกไก่ที่ได้ปลอยไก่นี้มันเวลาคุยเคียหาอาหารมันจะหาแต่ตัวไส้เดือนหาตัวหนอนกิน เวลามันไปเจอเพชฌเจอพลอยนี่มันจะเขียทิ้งหมดเพราะมันกินไม่ได้ฉันใดใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นใจของพวกเราพอเจอของดีเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เขียทิ้งไปเจอสติเจอปัญญาก็เขียทิ้งไปจเจ้าแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดะจะเจ้าแต่ลาบยศสรรเสริญอยู่เรื่อย แล้วผลที่เราได้จากการหาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็ได้ความทุกข์ตามมาหลายแบบด้วยกันทุกพออยากต้องต้องหาใหม่พอได้อะไรมาแล้วก็ยังไม่พอได้ดูแล้วก็ไม่พอได้ฟังแล้วก็ไม่พอได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็ไม่พออยู่เฉยๆอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องไปหาใหม่ แล้วก็ไปเสี่ยงกับการที่จะต้องไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายอย่างน้อยก็ต้องไปโกหกแล้วทำอะไรอยากจะได้เนเดี๋ยวก็ต้องโกหกคนก็ถามว่าไปไหนก็บอกเปล่าไม่ได้ไปไหนแต่ความจริงจะไปทำนู่นทำนี่แต่ไม่อยากจะบอกเขาเช่น จ, จะไปแอบบไปหาอีหนูพอภรรยาถามว่าจะไปไหนก็บอกเปล่าไปทำงานนี่ก็ เพความโลภความอยากถ้าไม่มีความโลภความอยากก็อยู่กับบ้าอยู่กับภรรยาอย่างมีความสุขนีเราพวกเราต้องเห็นโทษของพวกตัวหนอนไส้เดือนอย่าไปกินมันมันไม่ใช่เป็นอาหารของเราพวกเราไม่ได้เป็นไก่เราเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ต้องแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าไก่ถ้าเป็นไก่ก็ไปเถิดอยากจะไปหา ลาบยศสรรเสริญอยากจะไปหาตัวนอนรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหามันเถิดแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี้ต้องมาหาเพทรหาพลอยกันเพราะเพชรพลอยนี้จะทำให้เราเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงจะมีสมบัติอันล้ำค่าคือบรมีสุขคือพระนิพพานนิบบานังปรมังสุขขังอันนี้แหละผู้ใด ได้ถึงนิพพานปพลังสุขครั้งแล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงจะไม่หิวไม่อยากได้เงินได้ทองเลยต่อให้มาร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่เก็บเอาไว้เอาไปทําประโยชน์หมดหาเศรษฐีที่แท้จริงนี่ขอวรลาบาถททะนั้นเองขอได้บินทบาตวรลาบาก็พอแล้วเพระพุทธเจ้านี้บินทบาททุกวันแต่ได้เงินได้ทองมา ได้อะไรมานี่ท่านสละหมดท่านไม่เก็บเอาไว้เลยเพราะว่าของเหล่านี้เป็นเหมือนตัวหนอนตัวไส้เดือนนั่นเองท่านได้เพชรได้พลอยแล้วท่านจึงไม่ต้องอาศัยตัวหนอนตัวไส้เดือนเหมือนพวกเรา <S <S <S พวกเราตอนนี้ยังไม่ได้เพชรไม่ได้พลอยกันได้แต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนได้เงินล้านได้เงินแสนได้ตำแหน่ง นั้นตำแหน่งนี้เรื่องราวเหล่านี้ของเหล่านี้มันเป็นตัวหนอนเหมือนตัวไส้เดือนมันเพียงแต่ยาไส้ให้เราอยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันจะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้เพราะเรายังไม่อิ่มไม่พอต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอถ้าไม่อิ่มไม่พอมันก็ยังไม่ถือว่าไม่เป็นเศรษฐีที่แท้จริง ถ้าเป็นเศรษฐีที่แท้จริงแล้วจะไม่อยากได้อะไรถ้ายังอยากได้อะไรก็แสดงว่ายังยากจนอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากมีสิ่งนี้เหมือนกับคนยากจนคนยากจนนี่น่าเห็นใจเขาเพราะเขาไม่มีอะไรเขาก็อยากจะมีแต่คนรวยนี้มีมีมีโน่นบ้านโน้นช่างกินไปเจ็ดชาติสิบชาติก็ไม่หมดก็ยังอยากยยังอยากได้ ก็แสดงว่ายังเป็นขอทานและอาจจะล้ายกว่าขอทานสิมีต้องมากมายกายกองแล้วยังไม่พอพวกขอทานนี้เขาไม่มีเขาไม่พอกินเขาก็อยากจะมีอย่างนี้ยังพอจะเห็นใจกันบ้างต่อให้เราหาอะไรมากมายกายกองในโลกนี้เราจะไม่พบคำว่าพอเราจะไม่พบคำว่าเราเป็นเศรษฐี เรายังจะรู้จะสึกว่าเรายากจนมีแสนล้านเรายังรู้สึกน้อยไปอยากจะได้สักสองแสนล้านอยากจะได้เป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกระดับหนึ่งของเมืองไทยนี่แหละเพราะว่าไอตัวที่มันทําให้เราหิวนี้เราไม่ได้กําจัดมันนั่นเองก็คือความโลภต่างๆนี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมาบอกพวกเราให้รู้จักวิธี สร้างความเป็นเศรษฐีที่แท้จริงสร้างด้วยการทําลายความโลภความอยากให้หมดไปจากใจถ้ามันหมดแล้วมันจะอิ่มตลอดเวลามันจะไม่หิวต่อให้มาให้เงินมาเป็นร้อยล้านแสนล้านก็จะไม่อยากได้ต่อให้เป็นต่อให้ตั้งเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกก็ไม่ยินดีของพวกนี้มันไม่สามารถหยุดยับยั้งความ โลกความอยากได้ไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ที่จะตามมาได้เพราะว่าเราได้อะไรมาแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียบันไปไม่มีอะไรที่เราจะเก็บไว้ได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็เป็นชั่วแค่ร่างกายนี้เท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็หมดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราละ เ, เลึกถึงเทวทูตสี่อยเรื่อย ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายนะสิ่งต่างๆที่เราหากันแบบแทบเป็นแทบตายกันนี้เดี๋ยวตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาติดตัวไปไม่ได้ไปเป็นนักบวช ด, ดีกว่าไปเป็นนักบุญดีกว่าแล้วเอาปรามังสุขขังไปได้นิบานังปรามังสุขขังความสุขระดับมหาเศรษฐีนี้จะไปกับเราตลอดทุกที่ทุกแห่งทุกคน เพราะเรานี้ไม่มีวันตายเราคือใจใจนี้จะไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้ต้องตายต้องเจ็บต้องแก่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาผ่านทางร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เวลาเราตายเราเอาไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศล เราจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยสิ่งที่เป็นทรัพย์ของเราที่แท้จริงก็คือบุญกุศลนี่เองที่เกิดจากการละการกระทําบาปที่เกิดจากการทําบุญสร้างกุศลที่เกิดจากการชําระใจของเราให้สะอาดนี่เรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลเรียกว่าทรัพย์ภายในเรียกว่าอาริยทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราแต่พวกเรากลับไม่หากัน กลับไปหาตัวไส้เดือนตัวหนอนกันแทนที่จะหาเพชรหาพลอยกันเรากลับไปหาไส้เดือนกันเราจึงต้องไปแบบคนจนไปแบบต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่อิ่มไม่พอร่างกายนี้ตายไปก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้หาไส้เดือนหาตัวหนอนอันใหม่ต่อไป แต่ถ้าเราหาเพชรหาพลอยได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราจะถึงเมืองพอเราจะอิ่มเราจะมีความสุขตลอดเวลาเราจะไม่อยากได้อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเมื่อเราไม่มีความอยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดการที่เรายังกลับมาเกิดอยู่ก็เพราะว่าเรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่เราจึงต้องกลับมาเกิดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดวันพระเราก็ต้องมาถือสิงแสกันมาอยู่วัดกันมาหยุดยุติการหาลาภยศสรรเสริญยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วมาหาความสุขทางใจกันด้วยการทําใจให้สงบ ด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแต่เราลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ได้เลยจะเลือกเราลึกชื่อเฉยๆก็ได้พุทธโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้เลยจะลือกะลึกชื่อเดียวก็ได้พุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยควบคุมใจเราเถิดล้วใจของเรา จะเย็นจะสบายจะสุขจะอิ่มจะพอแล้วจะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เรามาทำกันโดยให้เริ่มทำในวันพระก่อนเพราะเป็นวันที่เรามีเวลาว่างวันพระสมัยนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันขึ้นแปดข้ามแลมแปดข้ามเสมอไปเพราะว่าความหมายของวันพระก็คือวันหยุดการทำมาหากินเลี้ยงปากเนงท้องนั่นเองสมัยโบราณเขายึดปฏิทินทางจันทลกติเขาก็เลยใช้วันขึ้นแรมเป็นวันพระกันขึ้นแปดข้ามแรม8ปดข้ามขึ้นสิบห้าข้ามแรมสิบห้าข้ามเป็นหยุด ทำงานกันสมัยก่อนเมืองไทยนี้เราไม่ได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราหยุดทํางานวันวันโกนกับวันพระเช่นสมัยนี้ก็มีโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชท่านก็หยุดวันโกนกับวันพระเพื่อให้เด็กได้มาเข้าวัดมารักษาศีลมาทําบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์สมัยนี้เราก็ต้อง เลือกเอาวันพระของเราเองถ้าเราไม่ต้องทํางานวันไหนเราก็เลือกวันนั้นเป็นวันพระไปเช่นเราไม่ต้องทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแล้วก็มาวัดกันมาชําระใจ่ายให้สะอาดบริสุทธิ์กันมารักษาศีลแปกันนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะเห็นคุณประโยชน์ของการ สร้างความสงบสร้างความสุขสร้างอริยทรัพย์ให้กับใจเราก็อยากจะมีมากขึ้นเราก็จะทำมากขึ้นแทนที่จะเอาเวลาไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเราก็จะเอาเวลามาหาเพชรหาพลอยแทนแทนที่จะไปหาทรัพย์หาลาภหายศเราก็ทำให้น้อยลงไปแล้วเอาเวลามาหาความสงบหาความสุขให้เพิ่มมากขึ้น หาบุญหากุศลให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถที่จะหยุดการหาลาบยศสรรเสริญสุขได้หยุดทำงานทำการได้ไปอยู่วัดอย่างสมบูรณ์ไปอยู่วัดได้ตลอดเวลาเหมือนกับนัก บ, บวชที่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสละเรือนก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราแต่พอได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติก็เห็นประโยชน์เห็นความสุขเห็นความอิ่มความพอที่เกิดขึ้นภายในใจก็เลยอยากจะมีอยู่ตลอดเวลาก็เลยสละการหาราบยศสลัสรรเสริญหาความสุขของขราวาสไปของผู้คองเงินไปแล้วก็มุ่งไปอยู่แบบนักบุญนักบวชแล้วในที่สุดก็สามารถ สร้างความสุขที่ถาวรได้ตลอดเวลาสร้างปรมังสุขขังให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดเวลาจึงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือพุทธศาสนิกะชนที่แท้จริงผู้ที่ได้ครองนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขังนีง้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกะชนอย่างเต็มที่พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในทุกวันพระไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มวันไปเรื่อยๆถ้าเห็นผลแล้วมันจะเพิ่มไปเองแล้วต่อไปมันก็จะทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมอบการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ให้แก่พวกเราได้มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำได้และเราจะได้ถ้าเราทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนให้สมบูรณ์อย่างที่ท่านได้เริ่มมาทำกันในวันนี้ขอให้ทำกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนทำได้อย่างตลอดเวลาแล้วรับรองได้ว่าประโยชน์สุขอันสูงสุดของพระพุทธศาสนานี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจาราญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภยัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ